ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนา ย, ยกรัฐมนตรีก็จะมีรายการธรรมาราพูนรรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพื่อที่จะเป็นมงคลเป็นข้อคิดดีๆที่จะทำให้การดาเนินชีวิตของท่านผู้ฟังแต่ละท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพุทธศาสรนิกชนหรือแม้แต่ท่าน ผู้ฟังหรือพี่น้องประชาชนท่านอื่นๆซึ่งอาจจะมีความเชื่อในศาสนาอื่นก็ตามเนี่ยสิ่งที่พูดคุยสนทนาในรายการธรรมรัปรุณนั้นก็ยังสามารถที่จะเป็นประโยชน์แก่ท่านได้เพราะว่าพระธรรมคำสอนขององค์พระสาสมาสามสุทรเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ท้าท า, ายการเวลาแล้วก็พิสูจน์ได้ยาวนานมาถึง 2,600 ปีแล้วนะคะว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นคาพูดที่เป็นจริง ในทุกสถานในการทุกเมื่อนะคะคสำหรับเช้าวันนี้เราพบกันเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายนนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน12ปีมะโรงค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบน้ำมศการพระอาจารย์ไพบูรณภิพุณโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อานวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมเรีเล้นตามพุทธโอษของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดนอนหายโศกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะวัด น, นี้มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดที่ตภาโสท่านเป็นท่านเจ้าอาวาสค่ะก็ขอนําท่านฟังมากราบนมัสการแล้วก็สนทนาธรรมะหรืากัะชากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเนบอนสาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมอยากจะขอนอําเรื่องเกี่ยวกับโพชง ที่โพชงเจเนี่ยเจ้าค่ะที่รพระอาจารย์เคยเคยพูดในรายการแม้แต่ตัวโยมเองแล้วก็มีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านนี้ก็ยังมีความเครียดแค็งสงสัยเวลาพระอาจารย์พูดถึงโพชงเจว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างเพราะว่าโพชงเจนี่รู้สึกว่าเป็นที่มาหรือว่ามาจากการที่เรามี รู้สึกว่าเราจะมีวิมุตต์นะเจ้าค่ะมีความรู้ในเอริยศาสตร์ศีอะไรต่างๆเนี่ยเจ<ช>้าค่ะท<ช>ีนี<ช>้เนีย<ช>่ยในในฐานะที่โยมเป็นเรียกว่าเป็นคราวาสคนหนึ่งละทีนี้อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้พูดคุยในรายละเอียดกันวันนี้เจ้าค่ะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังธรรมะอีกหลายหท่านจะได้มีดวงตาเห็นธรรมและอย่างเมื่อช้าเมื่อวานวันเสาร์เนี่ยเราพูดถึงว่าอะไรบ้างที่จะทําให้เรานั้นเนี่ยประสบผลสําเร็จในชีวิตซึ่งพระอาจารย์ก็บอกว่าเราจะต้อง มีละพวกมีบอลทั้งหาเจ้าค่ะก็คือความเพ่งเล็งความโกรธพยาบาททั้งหลายแหละรวมทั้งง่วงเหงานอนขี้เกียจฟุ้งซ่านรำคาญใจต่างๆนานาแล้วก็มีเรื่องของความเคลือบแคลงระแวงสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระองค์ด้วยนะเจ้าคะถ้าละไปได้เนี่ยชีวิตเราทำการงานอะไรก็จะประสบ ประสบผลสําเร็จนะเจ้าคะ่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของโพชงเจตแล้วเจ้าคะ่ะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและดีอย่างไรประกอบด้วยอะไรบ้างเจ้าคะ่ะนิมนต์เจ้าค่ะเอ่อโพชงเจตก่อนคือคําว่าโพชงเนี่ยเจ้าค่ะแปลว่าองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมเจ้าค่ะอ่านิยต์แปลตามหลักภาษาเลยนะเจ้าค่ะเพาองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมคือแปลตามหลักภาษามางทียังไม่เข้าใจนะเจ้าค่ะเอาแปลตามภาษาชา des, วบ้านเราเดี๋ยจะเข้าใจเนะี่ยก็คือ องค์ประกอบที่จิตดวงใดดวงหนึ่งมีแล้วเนี่ยจะทําให้บรรลุทำได้ใช่ค่ะดีกว่าคือจิตดวงในดวงหนึ่งเนี่ยมีองค์ประกอบเหล่านี้แล้วเนี่ยนะจะทําให้จิตดวงนั้นเนี่ยพร้อมแก่การตรัสรู้รำมพูอย่างนี้อืมเจ้าค่ะจิตดวงไหนมีองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งในเจ็ดอย่างนี้จิตดวงนั้นพร้อมแล้วที่จะตรัสรู้ทำนี่คือโพชฌงเจ็ดใช่ใช่คโพชฌงเจ็ดนี้พระเจ้าบอกว่าเป็นเหตุนะของผลคือวิชชาและวิมุติ โพชงเจ็ดเป็นเหตุของผลคือวิชาและวิมุตต์เนืเพราะฉะนั้นถ้าจิตดวงใดดวงหนึ่งมีเจ็ดอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งในเจ็ดอย่างนี้จิตดวงนั้นพร้อมแล้วที่จะทําวิชาและวิมุตต์ให้เกิดขึ้นในจิตได้จุกค่ะองค์ทำเจ็ดอย่างนี้เรียกว่าโพชงเจ็ดพูดภาษาทางวิชาการก็เรียกว่าองค์ทำเหมือนการตรัสรู้ธรรมจุกค่ะทีนี้เจ้าโพชงเจ็ดอันหนึ่งที่พื้นฐานใจพูดถึงว่ายังมีความเครือบแคลงความสงสัยเนี่ย คื อ, ค อ, ต, อต้องพูดถึงประเด็นนี้สักนิดหนึ่งก่อนที่เราจะไปอธิบายเรื่องโพชงเจตนะนะว่าไอ้เจ้าความเครือบแคลงความสงสัยนี่เป็นหนึ่งในนิวรณ์หอย่างแต่นี้บางทีเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ได้ถึงกับมีนิวรณ์หรอกแต่แ ว, ว่าเรามีคําถามเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคําถามเนี่ยบางทีไม่ได้เกิดจากนิวรณ์ก็มีอืคําถามบางอย่างสมมติหมวดทำบางอย่างไอ้ฉันสงสัยว่าโพชงเจตนี่มันมีอะไรบ้างมันทํางานยังไงมัน เ, เกิดจากอะไรเนี่ยคจิตคุณอาจจะ จิตที่มีสมาธิแต่มีคําถามพวกนี้เกิดขึ้นได้อไม่ได้ว่าคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ไม่ใช่นิวรณ์เจ้าค่ะนิวรณ์นี่คือความความลังเลความเคลือบแคลงความไม่เชื่อความเครือบแคลงเจ้าค่ะความระแวงนั่พระเจ้ายกตัวอย่างว่าคุณเอาทรัพย์ข้ามทางกันดานเนี่ยแล้วเราแวงไปหมดเลยมันจะผ่านทางจะมีใครมาดักปล้นไหมอย่างนี้นะอย่างคนไปร้านทองเนี่ยซื้อ ทองคำสักร้อยบาทอย่างเงี้ยมันเล็กๆใส่ไว้ในกระเป๋าอ่ะเดินออกมาจากร้านทองจะมาขึ้นแท็กซี่หรือจะเดินไปขึ้รเมล์อย่างเงี้ยใครเดินผ่านมาใกล้ๆจะมีความกังวลว่าเขาจะมามาเอาทองเออราทอ<ข>งตัง้100บาทอย่าทนี้น ะ, ะมันจะกังวลในความกังวลอย่างนั้นนะ่ะคื อ, อวิจิกริชาความเครือบแคลนความระแวงนะีไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ลักษณะว่าคําถามไม่เฉยคือมีคําถามในการปฏิบัติเป็นธรรมดาใครๆก็มีถ้าคุณยังแม้แต่โสดาบันเอง น, นะรับวิจิกริชาได้แล้วนะแต่ก็ยังมีคําถามก็ธรรมดาเจ้าค่ะอ่าซึ่งคําถามนี้ไม่ใช่นิวรละอันนี้คนละอย่างกันคนละอย่างกันเจ้าค่ ะ, คะทีนี้พูดถึงเจ้าตัวโพชงซะก่อนนั้นเราว่าโพชงเป็นเหตุของวิชาพิมุติใช่ไหมถ้าจิตตรงไหนมีโพชงแล้วนะคือจิตดวงนั้นเนี่ยพร้อมแล้วที่จะตรัสรู้ทำนะทีนี้เอาแล้วโพชงมันจะเกิดจากอะไรในะเหตุของโพชงคืออะไรนะผู้ชาก็พูดถึงเหตุของโพชงก็คืออ่าสติปัฏฐานทั้ง4ี่ อถ้าเรามีสติฐานสี่เราสร้าโพชงให้เกิดขึ้นได้ที่นี้ไปเจ้าสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นเองเราต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องในเหตุของการที่ทําสติปัฏฐานสีให้เกิดขึ้นได้เนี่ยอู้เชี่ยวเขาพูดถึงมีหลายอย่างนะหนึ่งอย่างนี่คืออนาปานาสติก็ได้ถ้าจิตของเรามีอนาปานาสติแล้วเนี่ยจะทําสติปัฏฐานสี่ให้เจริญได้ เพราะฉะนั้นการที่เราฝึก เ, าเราฝึกเขาเรียกว่าสังเกตลมหายใจอย่างเงี้ย อ, อย่างที่เราไปเข้าหลักสูตรนั่นจ้าใช่หรือว่า ใ, ในวันอังคาร น, นี้ที่อาตม า, าพาปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยก็จะฝึกการสังเกตลมหายใจเนี่ยก็จะทํามสติปัฏฐานสีให้เจริญได้มีสติปัฏฐานสีแล้วโพชฌงเจตมีได้มีโพชฌงเจตแล้วจิตคุณบรรลุทำได้หรืออีกในยันหนึ่งพุทธชาพูดถึงการประพฤติสุจริต3ามอย่างก็ได้ถ้าคุณมีสุจริตทางกายทางวาจาทางใจ จิตคุณตรงนั้นเนี่ยชื่อว่ามีสติปัฏฐานสี่ละมีสติข่าวไปมีสุจริตทางกายวาจาใจนะพูดดีคิดดีทําดีว่างนั้นเถอะพูดดีคิดดีทําดีพอพูดดีคิดดีทําดีแล้วเนี่ยจิตตรงนั้นเนี่ยคือมีสติปัฏฐานสี่ละพออย่างน้อยคนเขาจะมาด่าเราเราก็ไม่ด่าตอบคนก็จะมาชิญชวนเราไปทําชั่วเราก็เซโนบอกไันไปนั่นคือคุณมีสติระดับหนึ่งละทีนี้ถามว่าไอ้เจ้าสุจริตสามเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุกันนะ เหตุของนั้นคือการสรํารวมอินสีสํารวมอินรียคือเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูพวกนี้แล้วเราก็อยไม่เอาสิ่งที่ไม่ชั่วๆเราไม่เอาเข้าสิ่งดีๆเราเอาเข้าสิ่งชั่วๆเราโยนทิ้งไปอย่างเงี้ยอันนี้คือการสรํารวมอินสีอืมเจ้าค่ะอันนี้เป็นข้อที่สามถูกไหมเจ้าค่ะอ่าหมายถึงว่าเป็นเหตุเป็นผลกันไล่มาไล่มาอใ่าเป็นเหตุเป็นผลไล่ไล่กันมาเจ้ค่ะคือหมายความว่าถ้าเราต้องการจิตหลุดพ้นใช่ไหมคือมีวิชาวิมุตคุณทัศน์พชงเจ็ จะทำโพชงเจ็ดได้คุณต้องมีสติปะฐานสี่จะมีสติฐานสี่ได้คุณต้องมีกายวาจาใจที่เป็นสุจริตจะมีกายวาจาใจที่เป็นสุจริตคุณต้องมีสำโรบินรีย์อย่างเงี้นะมีจะมีสำโรบินรีย์ได้คุณต้องมีสติสัมปชัญญะจะมีสติสัมปชัญญะได้คุณต้องมีโยนิโสมนัสิการคือการทําในใจโดยแยกคายจะมีโยนิโสมนัสสิการได้คุณต้องมีศรัทธาจะมีศรัทธาได้คุณต้องคบเพื่อนดีค่ะจะคบเพื่อนดีทําให้คุณจะได้ฝั่งธรรม พอคุณคบเพื่อนดีคุณได้ฟังธรรมคุณมีศรัทธาคุณมีโยนิสงฆ์นักสิกา ร, ร canción, คุณก็จะมีโยนิสงฆ์นักสิกา ร, ร meter, แล้วคุณก็จะทําสุจริตทางกายวาจาใจมีสุจริตทางกายวาจาใจคุณก็มีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะคุณก็สำรวอินทรีย์ได้สารวอินทรีย์ได้คุณก็มีสติปัญสีม i, สีสตาน4ญสก็ทําพชงเจได้มีพงช่วยงเจก็ทําวิชาบิมุทได้อื 4, 4, เป็นขั้นๆไปเปขั้นไปนี่คือเหตุกลไกของมันกระบวนการทํางานมาอย่างนี้ทีนี้ ประเด็นที่ต้องแจ้งให้ทราบตรงนี้คือว่าไอ้ขั้นตอนตรงเนี้นะมันมันเป็นอัตโนมัตินะ <Okay. S 2> คือมันเป็นเป็นไปตามระบบของเขาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาแยกกันทําแยกกันทำพร <Okay. S 2> ะพุทธเจ้าให้ปฏิบัติจนกระทั่งถึงจุดเรียกว่ามรคสังฆีแต่ทั้งหมดนี้เป็นมรคเป็นหนทางที่ไปถึง ก, การตรัสรู้ใช่ไมใช่ค <Okay. S 2> ่ะตอนี้ไอ้ตรงเส้นทางทั้งหมดเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นเป็นทางที่เราจะต้องเดินไปเดินไปอย่างนั้นคือไม่มีการมากันไป <Okay. S 2> แต่นี้เป็นอุปมาใหม่ที่ผู้เชา้ายกตัวอย่างว่ามันมันมีทางปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบแต่ไม่ใช่มาไปเหมือนกับขนทางอย่างนั้น mm hmm. แต่เขาเรียกว่าปฏิบัติเข้ามาได้โดยรอบแต่เรื่องทางปฏิบัติตรงนี้พระเช้าจึงบอกว่าให้ทําให้เป็นมัคคสมังคีคือทําเส้นทางทั้งหมดเนี่ยมาขยํารวมกันเป็นอันเดียวอื mm hmm. ให้เป็น <Okay. S 2> เนื้อเดียวกันอ mm hmm. อื่าพูดถึงโพชงเจตเนี่ยมันก็จะมีหลายบ้างมีสถิติซ้ำโพชง เดี๋ยวมีปฏิทิศธรมโชติมีสติธรรมะิจาสัมโชติมีอยเบิกาธรรมโชติมีอะไรๆๆๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเราแยกกันทํเราต้องทําทีเดียวเลยคือทําเนี่ยให้เป็นเนื้อเดียวกันให้เสมอกันให้เป็นอันเดียวกันอันหนึ่งเดียวกันอย่างคือที่พูดประเด็นเนี้เพราะบางคนเนี่ยยังแยกชีวิตการปฏิบัติธรรมกับชีวิตการงานคนละอันกันอยู่ออืเช่นว่าคุณไปว่าปฏิบัติธรรมก็อันหนึ่ง หรือว่าคิดว่าฉันจะปฏิบัติธรรมได้ต้องไปวัดเท่านั้นหรือสวดมนต์เท่านั้นถึงปฏิบัติธรรมอยู่ที่ทํางานทําไม่ได้หรอกคุณเข้าใจผิดแล้วถ้าเรายังไม่ทํามัคคือไอ้ข้อมูลที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับชีวิตของเรานะอันนี้คุณยังไม่ได้นะ่ะยังไม่ถูกนะเราต้องทําชีวิตของเราเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเหมือนว่าเอาธรรมะเนี่ยมาไว้ในชีวิตของเราทุกๆวิธีทางเลยทุกๆวินาทีเลยทุกๆก้าวเลยทุกๆด้านเลย เราถึงจะเรียกว่าทำมรรคให้มันเกิดขึ้นได้อ่คุณต่ใจเคยเห็นเพชรนะนะแบนเพชรแบนลายเนี่ยนะเวลาเขาเจีระไในเขาไม่ได้เจีริญในด้านเดียวนะมีหลายเรียมนะใช่เขาต้องมีหลายด้านเช่นเดียวกันถ้าเราจะอทําด้านนี้ด้านนั้นด้านโน้นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้มันต้องทำทั้งหมดมันถึงจะเป็นเพชรที่สวยงามออกมาได้น่ะเช่นเดียวกันถ้าในในในใจของเราในชีวิตของเราเนี่ยเราเอาธรรมะไปไว้ทุกด้านเนี่ยถึงจะดี แต่ไม่ใช่เฉพาะด้านเดียวเจ้ค่ะไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติธรรมอะไรต่างๆนี่เฉพาะไปวัดนะเจ้ค่ะพอกลับมาก็ใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมอีกแล้วหรือว่าคิดว่ามันจะเป็นเรื่องแยกการคิดว่าในการงานมันเป็นเครื่องที่ทําให้เราไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมในคุณก็คิดไม่ถูกเจ้าค่ะคุณก็เอาธรรมะใส่ไว้ในงานสีคุณขยนไหม้คุณไม่ด่าเขาหรือเปล่าคุณอดทนได้ไหมคุณมีความเพียรไหมคุณมีความเพื่อเฟื่องไหมคุณทําหน้าที่ที่ตั้งหกหรือยังอย่างเงี้ย ถ้าคุณทํานะโหวันนี้คุณมีธรรมะในงานแล้วนะอืมคุณ เ, เอาธรรมะไปใส่ในงานด้วยอันนี้คือธรรมะคือเส้นทางเนี่ยอ่าเจรพโพชงไปด้วยในงานเราทํางานไปด้วยเราก็ปฏิบัติทําไปด้วยแล้วมีสติด้วยระหว่างที่คนอื่นเขาวุ่นวายกันเราก็มีสติลมาหายใจรอประชุมรอลิฟต์อยู่เดินขึ้นมาได้อยู่คนเดียวเราก็รู้ลม ใ, ใจไปด้วยอย่างเง ค, คือมันก็ทําให้อมาร์กของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ก็คือมาอ เหมือนกับซึมซาบอยู่ในตัวของเราเลยนะเจ้าค่ะที่ว่าจะมีอยู่ตลอดเวลามีสติตลอดเวลาแล้วก็ดำเนินชีวิตไปในทางที่เป็นคำสอนของพุทธองค์ทั้งนั้นแต่ว่าเอามาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามาแอพพลายหรือว่ามาปรับใช้กับเราในในชีวิตประจำวันในทุกวินาทีของชีวิตถูกไหมเจ้าค่ะตรงนี้ภาษาบาลีเขาเรียกว่ามคคสมังคีมคคสมังคีนะคะคือทคือธรรมะทั้งหมดเนี่ย ให้สามมาขี่กันเป็นอันหนึ่งันเดียวกันชคือทอําชีวิตของเราด้วยทําหมวดธรรมะไม่ว่าจะโพชงด้วยทำศรัทธาด้วยฟังการฟังธรรมด้วยฟังสุจริตสามเนี่ยเอามารวมกันทั้หมดอเืเดี๋ยวมาเคยถามคุณตื่นใจว่าเราเวลาเรากินเค้กอย่างเงี้ยนะะ เ, เราไม่ได้กินแป้งเข้าไปก่อนแล้วกินไข่ตามแล้วก็กินน้ามันแล้วขย่าวขยวไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราผสมให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนแล้วเราจึงอบให้เรียบร้อยแล้วกินเข้าไปคําเดียวเนี่ยแต่ว่าที่คุณกินเข้าไปคําหนึ่งเนี่ยคุณ น้ำตาลก็อยู่ในนั้นแป้งก็อยู่ในนั้นไข่ก็อยู่ในนั้นเนยก็อยู่ในนั้นช็อกโกแลตก็อยู่ในนั้นเจ้ค่ะอยู่ในอันเดียวกันคือมันรวมกันหมดแล้วมากินอร่อยนะถึงมีรสอร่อยเนะจ้ค่ะเช่นเดียวกันธรรมะเนี่ยเรามารวมกันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเนียนๆแล้วก็ไปใช้ทุกด้านเลยเรียนหนังสือคุณก็ใช้ด้วยทํางานคุณก็ใช้ด้วยอยู่บ้านคุณก็ใช้ด้วยอยู่กับผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บัรคับบัญชาคุณใช้หมดเลยเจ้ค่ะแม้มันชี้มันจะเหมือนกับเพชดน่ยมันสว่างมันงามไปทุกด้านค สว่างสวยนะเจ้าค่ะรุ่งโรจน์ทีนี้<ๆ>ทําไมพระเจ้าต้องแยกแยะให้ฟังโอ้โพชองเจ็มรคแปดเศรษานสี่โอ้มันจะไม่ไหวหรอกอมเจมันเยอะก็ก็นี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรลีลาของพระเ จ, จา้ า, จ า, ามือใจใอ่ไหมเจ้าค่ะเหมือนเวลาสีหนา้าเนี่ยเขาเรียกว่พยาศัตว์ชื่อสีหาเนี่ยกว่าจะออกไปหาสัตว์ไปอ่าเขาเรียกไปไปล่าสัตว์ไปหากินเนี่ยนะเจ้าค่ะต้องบรรลือสีหน้าสามครั้งก่อนอืมเจ้คะ ด้ยเสียงย่างไงล่ะธรรมาก็ทําให้เป็นมาเจะสักอย่างนึงเนี่ยนะสามครั้งแล้วก็ไปไปล่าสัตว์ไปหากินเวลาหากินเนี่ยตะคุบเหยื่อต้องทีเดียวตายเจ้าค่ะกัดทีเดียวตายจะไม่มากัดซ้ําไม่ใช่ล่ะมันไม่เสียเหลี่ยมของศีอษะเจ้าค่ะเพราะเวลาพระเจ้าประกาศธรรมะเนี่ยเวลาบรรยายธรรมะเวลาแจกแจงธรรมะมันต้องครบถ้วนทุกกระบวนความทุกเม็ดเก็บให้หมดเจ้าค่ะโดยเหลี่ยมของความเป็นพระพเจ้า จึงมีความละเอียดละออรอบครอบชัดเจนเป็นพิสดารขึ้นมาทำให้บางคนงงแต่ไม่ต้องงงมันต้องเป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละพร ะ, ะเจ้าก็จะแยกส่วนผสมองประกอบให้เห็นนัไนนี้ว่าอาหารชนิดนี้นะมีส่วนผสมอย่างนี้นน ะ, ะ ต, ต้องผสมกันน ะ, ะ, ะทำไม่ใช้ทุกด้านของชีวิตแล้วเราก็เลยจะมา ลงรายละเอียดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องโพชฌงว่าโพชฌมีอะไรบ้างนะไอ้ที่ว่าองค์ธรรมที่จิตคุณจะประกอบแล้วจะทำให้เห็นการตรัสรู้ทำได้เนี่ยนะคืออะไรอันดับแรกคือพระเจ้าพูดถึงสติสัมโพชฌงคือสติเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่จะทำให้จิตเราเนี่ยพร้อมในการบรรลุธรรม <Okay. S 1> สติที่นี้ก็คือความระลึกได้ ก็คือสติที่เราอยู่ในลมหายใจนั่นแหละเด <Okay. S 2> ี๋ยวบางคนเดินอยู่มีสติใิการเดินบางคนยืนอยู่มีสติใิการยืน <Okay. S 2> ได้ทั้งนั้นแต่สตินี่ไม่ได้ว่าจะเกิดจากลมหายใจอย่างเดียวนะคุณดนชั <Okay. S 2> ลมหายใจเป็นเครื่องมืออันหนึ่งแต่ที่ทำให้เกิดสติ <Okay. S 2> เครื่องมื อ, อ น, นี้มีอะไรบ้างสีของบุญก็ได้บุริชาก็ได้พระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้เป็นพุท ธ, ธานุสติสังฆธรรมานุสติสังฆานุสติ <Okay. S 2> ใช่ไหมบางคนนึกถึงความตายอมมรณสติบางคนนึกถึงพ่อแม่หรือว่าคนดีๆ ก็เป็นเทวตานุสติอนี้ก็ได้ได้ทั้งนั้นแต่เป็นสติสัมโพชฌงค์เหมือนกันนี้พอมีสติแล้วเนี่ยจะเกิดการใคร้ครวนธรรมนั้นด้วยปัญญาธรรมะนั้นเนี่ยก็คือทอํทาอะไรก็ได้ธรรมะอะไรก็ได <Okay. S 1> ้นะเช่นคุณจะใคร้ครวนเรื่องหลอดไม้ใจว่ามันไม่เที่ยงก็ได้คุณจ <Okay. S 1> ะเห็นใบไม้ล่วงลงมาแล้วมันจะไม่เที่ยงก็ได้ธรรมะนั้นคืออะไรก็ได้หรือถ้าคุณจะเห็นเขาโกงกันเขาด่ากันว่าอ๋อธรรมะนี่ควรละ อันนี้ก็เป็นธรรมะได้อืมคือหยิบอะไรมาทั้งหมดนี่แหะคุณเตจิเป็นธรรมะได้หมดเลยอืมเขาแบ่งแยกกันเป็นข้างเป็นฝักเป็นฝ่ายด่ากันศาสีกันโอ้เราเห็นใครครวญธรรมะนี้ก็ได้ว่ามันไม่เที่ยงเราก็มีสติอยู่ในความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นได้เจ้าค่ะคือเขาวุ่นวายไปเนี่ยก็เรื่องเขาเราก็สบายใจอยู่เราก็อย่าวุ่นไปกับาใช่เพราะเราเห็นธรรมะนั้นด้วยปัญญาอืมก็จะเห็นตรงนี้ได้ต้องมีอะไรคุณเใจิคำตอบคือสติ ค่ะ <Okay. S 2> เราต้องมีสติเราถึงจะสามารถมีธรรมวิจยตรสำโพชง <Okay. S 2> ที่พูดเ ม, รรมื่อสักครู่เนี้คือธรรมวิจยตรสำโพชงนะคือเมื่อมีสติแล้วเนี่ยจะทำการใคร่ครวนธรรมนั้นด้วยปัญญาการใคร่ครวนธรรมนั้นด้วยปัญญาเนี่คือสติธรรมวิจยตรสมโพชงทีนี้พอเรามีธรรมวิจยตรสมโพชงคนที่ใคร่ครวนธรรมเห็นเ้าด่ากันว่าการกอรั่วนี่ควรละเห็นใบไม้ร่วมก็เห็นว่าเป็นความไม่เที่ยง เห็นทะเลมีน้ําขึ้นน้ําลงก็นึกถึงพระพุทธเจ้าสัง่งสอนเรื่องนี้เอาไว้อันนี้ก็เป็นธรรม毗เชสัมโพชฌงดังนั้นที่คุณไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นความเพียรทั้งสิ้นเลยอืมนั้น จ, จิตแบบนี้เรียกว่ามีวิริยะสัมโพชฌงแลนี่คือข้อที่สามแล้ววิริยะสัมโพชฌนั่นคือความที่ทําความเพียรความเพียรแบบเนี้ยเป็นความเพียรที่ทำให้จิตเนี่ยพร้อมแก่การตรัสรูธ้ธรรมจุ๊กค่ ะ, ะไม่ได้ว่าต้องปีนเขาขึ้นเขาลงห้วย หรือออกกาลังกายหนักๆกถึงจะเรียกว่าทำความเพียรนะออ <นะ S 2> ด้วยจิตเป็นความเพียรทางจิตแบบหนึ่งแต่นี้จิตที่มีความเพียรอย่างนี้เนี่ยเป็นจิตที่พรามิชเชลละอ ก, กุศลเจริญกุศลเนี่ยจิตนั้นจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ในภายในคือเขาเรียกว่าไม่วุ่นวายตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกแต่จิตที่มีความอิ่มเอิบใจความสบายใจอยู่ในภายในเนี่ยอมันจะไม่เหมือนกับ ความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เราได้จากสิ่งภายนอกนะสมมติเขาเอาขนมเค้กหวานๆมาให้เรากินแเราชอบจังเลยแล้วเราสบายใจเนี่ยหรือเขาเปิดดนตรีเพราพเราถึงสบายใจเนี่ยพวกนี้เป็นปีติชนิดที่ว่าต้องพึ่งสิ่งภายนอกแต่แต่ความอิ่มเอิบใจความสบายใจที่เกิดได้จากความเพียรเนี่ยเป็นปีติชนิดที่อยู่ในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกอันนี้เรียกว่าปีติสัมโพชงทีนี้พอปีติสัมโพชงเนี่ยเป็นภายในนะไม่ต้องขึ้นกับภายนอกเวลาที่เราไม่ขึ้นกับภายนอกเนี่ยคุณเฉย พระพุทธเจ้าจะเรียกว่าปัจสถามโพชงคือความสงบประงับ ora, ความสงบประงับ <ถ lineup. S 2> สงบประงับในที่นี้คือฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะรอ้องเขาจะแบ่งกันเขาจะด่ากันเราสบายใจอยู่อืปัสสถธิคือความสงบระงับ i, าายอยู่ในภายในในภายในนี่คือปัจสถานโพชงทีนี้พอมีปัจสถานโพชงอย่างนี้นะอ่าจิตที่มันมีความสงบระงับเนี่ยจะเป็นจิตที่มีความสุข นา้เจ้าระดับของความสุขเนี่ยจะเป็นตัวบ่งบอกถึงระดับของสมาธินั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีสมาธิสัมโพชฌงเกิดขึ้นนี่คือข้อที่หกแล้วนะสมาธิสัมโพชฌงอีกครั้งหนึ่งนะคือจิตที่เราความมีนิ่งสงบอยู่ในภายในเนี่ยนะคือปัสติเนี่ยนะมันจะทําให้เกิดความสุขขึ้นเพราะเราไม่ต้องมุดมีมุดไไปตามสิ่งภายนอกใช่ไหมพอเราไม่มุดมีมุดไหวไปตามสิ่งภายนอกความสุขที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกระดับของสมาธิ ยิ่งท้าคุณมีความสุขที่ลึกเข้าไปเนี่ยสมาธิคุณก็ยิ่งลึกเพราะว่าเราไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งภายนอกมากพอสมาธิคุณลึกนั่นแหละคือตัวบ่งบอกระดับของสมาธิสัมโพชฌงสมาธิแบบเนี้จะทําให้คุณพร้อมแกการตรัสรู้ธรรมออืออทีนี้พอจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยถ้าใครเคยปฏิบัติสมาธิหลับตาเข้าสมาธิลึกๆเนี่ยจิตเราจะมองเพ่งเล็งอยู่กับมาจ้องอยู่กับจิตที่นิ่งๆอย่างเดียว อาการที่เรามาจ้องจิตที่นิ่งๆอย่างเดียวแล้วอะไรมากระทบเราก็ไม่ไหลไปตามเนี่ยอันี้อาการนี้คืออุเบกขาอาการนี้คืออุเบกขาก็จึงมีอุเบกขาสัมโพช์เกิดขึ้นหลังค <Okay. S 1> ่ะอ่าอุเบกขาสัมโพชงอุเบกขาคือความวางเฉยเวลามีอะไรมากระทบเ้าด่าเราเราก็อุเบกขานิ่งอยู่ได้วาง <Okay. S 1> เฉยอยู่ได้เข้า <Okay. S 1> ใจนะนี่คืออุเบกขาสัมโพช์พระเจ้าจึงบอกว่าเวลาทธอคนที่มีสมาธิเนี่ยจิตก็จะเพ่งเฉพาะ เราจะทำการเพ่งเฉพาะจิตที่ตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีคือหมายความว่าเรามาดูจิตของเรานิ่งๆอยู่อย่างเงี้ย <Okay. S 2> อะไรมากระทบเราวางเฉยหมดเนี่ยนี่คืออุเบกขาสัมโพชง <Okay. S 2> อุเบกขาสัมโพชงก็จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ต้องไล่มาตั้งแต่สติสัมพชงใช่ไหมมาจนถึงธรรมวิทยาสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชปัสติสัมโพชงสมาธิสัมโพช ง, พช ง, พชงจนถึงอุเบกขาสัมโพชงเนี่ยจะิเอ <Okay. S 2> น, นเดียวกันนแหละ ผู้เช่าแยกแยกออกมาว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างข้าวมาเล็ดหนึ่งคนหยิบมาเนี่ยคาร์โบไฮเดรก็มีนะอืออร์มินบีก็มีนะกลูโคสก็มีนะบางนี้มีส่วนประกอบของกาบ้าก็เต็มไปหมดนี่นะคือแยกแยกออกมาว่าองค์ประกอบของมันเกิดอะไรบ้างนี่คือที่ผู้เจ้าบอกให้แต่เวลาคุณกินเนี่ยกินทั้งเม็ดนะอืะแล้วมันก็ไปแยกย่อยกันในท้องเราเองเช่นเดียวกันเวลาที่เราทําเนี่ยเราก็ทําให้เป็นมัคัสมังคีคือเป็นหนึ่งอันเดียวกัน มันถึงจะถูกต้องแล้วถ้าเราเริ่มทําผิดทําไม่ถูกเนี่ยมันจะมีอาการอย่างเช่นปวดหัวบ้างมึนบ้างเลยอย่างที่คำถามของท่านผู้ฟังทางบ้านคนหนึ่งที่เขาถามมาชื่อคุณคเน่งนิดนะเจ้าค่ะถามว่าไงเจ้าค่ะที่ได้ส่งมาทางรายการนะาถามว่าเวลาที่กําหนดเรียบทในปัจจุบันแล้วรู้สึกเวียนหัวถามว่านี่ผิดหรือเปล่าอืมเจ้าค่ะคือถ้าเราปฏิบัติแล้วมีอาการเวียนหัว มีอาการมึนตึงมีอาการที่ยับยั้งเราไม่ให้เดิมเนินไปข้างหน้าเนี่ย <Okay. S 2> มันจะมีอยู่มันอาจจะผิดก็ได้อาจจะถูกก็ได้แล้ว ม, มันมีอยู่สองแบบคือ <Okay. S 2> บางทีเนี่ยมันเป็นเครื่องกลัวเฉยๆเป็นนิวันที่เราอย่างลาไม่ได้ <Okay. S 2> วิธีการทําคือเราต้องละนิวนันคือฝืนทําแบบไปคือบางทีเนี่ยที่เลนในตัวเราเนี่ยมันคลิกผันว่ามาเป็นอาการปวดหัวบ้างอาการคันคันบ้าอะไรบ้างเนี่ย <Okay. S 2> พวกนี้เราต้องหยุดเลยอย่าไปสนใจมันเจ้าอ่า เพราะว่าเราก็ถึงคำของเราต่อไปนั่นแหละอย่าไปสนใจมันตั้งมันต่อไปใช่เพราะมันจะมากวนเราให้เราอยุ่เฉยๆเราจะไปคิดว่าโอ้ฉันต้องเป็นไี้นี่นเลยฉันต้องเป็นนั่นแน่เลยเลิกดีกว่าปลานเลยเสร็จมันใชนี่คือกรณีที่หนึ่งหรือกรณีที่สองคุณทําไม่ถูกทําให้ถูกเช่นว่าคุณไปเพ่งเกินไปคุณไปบังคับจิตอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าเราเราต้องต้องทําให้ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเราทําถูกแล้วแต่เรายัง เป็นอาการที่ปวดหัวบ้างอะไรบ้างอยู่เนี่ยคุณก็อย่าไปสนใจมันที่ถามว่าทําถูกคือทํำยังไงะคุณคือหนึงที่ถามด้วยว่าแก้ยังไงแกยังไงก็คือว่าถ้าเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยอระพุทธเจ้าพูดถึงวิธีแก้ไป็วิธีหนึ่งก็คือว่าทําจิตให้เลื่อมใสในพระุทธเจ้าก็ได้คืออย่างเราทําไปแล้วเรามีความฟุ้งซ่านบ้างมีความมึนบ้างมีความเหนื่อยบ้างเนี่ยให้วางสิ่งนั้นก่อนแล้วก็ไประลึกถึงพระพุทธเจ้าว่า เพราะเหตุอย่างนี้ๆๆนอย่ะพระเจ้าเป็นพระอาหารหันต์หรือไปนึกถึงครูบาอาจารย์คือนึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังกานุสติก็ได้และพอจิตเราหายจากความปวดหัวหายจากไอเรื่องกังวลใจแล้วเนี่ยเราก็กลับมาทําต่อไปคือจิตก็จะสงบเหมือนเดิมในกรณีของคุณกระนงนี้ก็คือว่ามารู้กับสิ่งที่เป็นปัจจุบันต่อไปได้น ะ, ะมันก็คือจะเรียกว่าจะทําถูกละเข้าสู่ถูกทางละเฉะนที่ ท, ที่พูดในที่นี้ก็คือว่ามีอยู่ทั้งหสามกรณี นะกรณีแรกเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องกวนเฉยๆเลยไปสนใจมัน <Okay. S 2> นะหรือวิธีที่สองคุณอาจจะปฏิบัติผิดนะคุณอาจจะปฏิบัติทําไม่ถูกวิธีเราก็ทําให้ถูกซะ <Okay. S 2> หรือวิธีที่สวิธีแก้ที่3มก็คือว่าเราก็ไปทําเรื่องอื่นซะก็คือไปนึกถึงพุทธเจ้าบ้าง <Okay. S 2> นะนึกถึงพุทธานุสติหรือธรรมานุสติหรือนึกถึงประบาทครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่เรามีศรัทธาทนะ่านปฏิบัติมาดีปุ๊บ เ, เราก็จิตเราก็จะดีขึ้นมาละ <Okay. S 2> แล้วเราค่อยกลับไปทําอย่างอย่างเดิมได้อแต่มีสามวิธีนี้อที่จะแก้ไขได้เจ้าแล้วก็ทําให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันนะมัคคัศมาเกียเนนี้ผู้เจ้าย้ําเหมือนกันนะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาทําเนี่ยนะอย่างช่างทําหม้อช่างเลื่อยไม้พวกนี้ยเขาจะต้องฝึกงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยให้ชํานาญก่อน <Okay. S 2> อย่างช่างกลึงอย่างเงี้ย เด็กฝึกงานช่างกลึงใหม่คือเขาไม่ได้ให้ไปคุณไปอยู่หน้าเช่างกลึงเลยนะไปโนกนไปนู่นไปตัดเลโก่อนแตไปเตรียมไฟก่อนไปเตรียมไม้ก่อนไปเตรียมน้ำก่อนไปเด็กฝึกงานก่อนแต่คุณรู้งานจุดนั้นคุณรู้งานจุดนั้นต่อไปคุณรู้งานจุดนี้จนกระทั่งคุณรู้งานหมดน่ะทําชํานาญหมดน่ะคุณจะเรียกช่างกลึงที่แท้จริงอือย่างนี้นะเช่นเดียวกันธรรมะเราปฏิบัติตรองนั้นมากไปฏิาตรงนี้บ้างโอเคดีแล้ว ทำให้มันเข้ากันซะเอามารวมกันใช่สำคัญมากแล้วก็นํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราด้วยถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะเจ้าค่ะให้ทุกด้านเลยเจ้าค่ะนะจะเกิดมัคคัศม์มังคีนะคนที่ทํามัคคัศมังคีได้แล้วก็อย่างโสดาบันขึ้นบ่เป็นต้นเจ้าค่ะนะจะจะเป็นบุคคลที่ทํามัคเนี่ยให้มันเข้ากันในระดับที่ได้ได้เข้าที่ละระดับหนึ่งแต่จึงเป็นอย่างน้อยโสดาบันแน่นอนถ้าเรายังแยกกันทําอยู่เรายังคิดว่าอันนี้เป็นคนละเรื่องกับชีวิตของเราอยู่เนี่ย มันมันจะยังไม่ใช่ล่ะจ้าค่ะต้องรวมกันเพืใเกิดขึ้นในส <c oughs> องนาทีสุดท้ายของรายการนะจ้าค่ะโยม อ, อยากจะข อ, อะกราบเรียนถามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนเจ้าค่ะว่าสำหรับคนเราทั่วไปนะเจ้าค่ะ ที่เป็นสามัญชนนี่แหละดารงชีวิตอยูอ่เป็นคราวาโดยทั่วไปเนี่ยมีโอกาสไหมเจ้าคะที่ว่าพอปฏิบัติอย่างที่พระอาจารย์ว่าโดยมีมัคคะสมังคีทําอะไรทุกอย่างเนี่ยแต่เราก็เดิม ช, ชีวิตของเราไปปกติรับผิดชอ บ, ออบครอบครัวเราไปเนี่ยมีหนทางไหมเจ้าค่ะที่จะเรียกว่าไปถึงวิมุตคือแบบปฏิบัติจนกระทั่งถึงตรงนั้นได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปบวชเป็นพระภิสุกสัมมเนนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะ อ, อต้องถามอย่างนี้อย่างสมมติถ้าเราพูดถึงวิมุตต์เนี่ยน ะ, คคะพูดถึง อ, อที่สูงขอการปฏิบัติเนี่ยในที่นั้นเนี่ยไม่มีเพศไม่มีชายมีหญิงไม่มีสมณะหรือคาราวาร่าไม่มีอะไรพวกนั้นคคนะเพราะฉะนั้น อ, อไม่ว่าจะคุณจะอยู่ในระบบใดเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันจริงๆตัวนี้มีรายละเอียดเยอะเยอะเราพูดกันในตอนต่อไดจคคจ้จริงต้องการสรุปในที่นี้เน้นย้าว่าพระชงเฉด นะเราก็มีคุณธรรมเจ็ดอย่างคือองค์ธรรมที่ทำให้เราตรัดสุรุทําได้นะเหตุของโพชฌงค์เจดเรามิพูดอยู่นะผลของโพชฌงค์เจเราก็ได้พูดไปแล้วนะตัวโพชฌงค์เจ็มีอะไรบ้างเราอย่าไปคิดว่ามันแยกกันกับ ก, การปฏิบัติของเรา <Okay. S 2> นะให้ปฏิบัติเนี่ยรวมกันให้มันเป็นหนึ่งอันเดียวกัน <Okay. S 2> นะเป็นมันคคสเังกีในทุกๆด้านของชีวิตนะทําอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับ <Okay. S 2> นะเราก็ได้พูดถึงวิธีแก้ในการปฏิบัติไปด้วยนะต่อคำถามของคุณกันน่งนี้ไปด้วยเพราะฉะนั้นพอเราทําไปอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าถ คุณเป็นพระผู้ชายผู้หญิงหรือคนสองเพศได้หมดเลยลเพราะว่าธรรมะเหล่านี้เป็นไปเพื่อละตัวตนทั้งสิน้นใช่ค่ะขอใหอ้ตั้งใจปฏิบัติได้จิงตามที่ อ, องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้นะเจ้าค่ะเ <ขา S 2> จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่าผู้ฟังค่าเวลาในรายการธรรมาราบุลน์เช้าวันนี้หมดลงแล้วนะคะก็คิดว่าอย่างที่ได้สนทนาธรรมะหรือว่าสาักกามากับท่านพระอาจารย์พิพุนอดพิพุนโนแห่งวัดป่าดอนไหโชกนั้นเนี่ยคิดว่าทุกฝั่งทางบ้านหลายท่านคงอยากจะให้ท่านได้ตามถามท่านพระอาจารย์แล้วละค่ะว่าสิ่งที่เราจ ะ, ะปฏิบัตินเนี่ย อย่างที่ได้เรียนถามไปในช่วงสุดท้ายของรายการว่าคนเราทั่วไปธรรมดาเนี่แหละเป็นคราวาสครองชีวิตอยู่ธรรมดาทั่วไปมีหน้าที่รับผิดชอบในครอบครัวแล้วก็ตัวตนของตัวเองนั้นเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติธรรมหรือตั้งจิตตั้งใจ ไปถึงวิมุติหรือจริงที่เราเรียกกันว่าไปถึงสิ่งที่องค์พระศาสดาธรรมเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้ถึงนิพพานหรือถึงวิมุติที่จะหลุดพ้นไปจริงๆได้หรือไม่ก็คงจะรับฟังคําตอบนี้ในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพภูณอภิพุโน แล ะ, พะเะพลิดเพลินหลวงพอ่อดรสะอาดที่ตัวผสูท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไห่โศกตำบลดอนไห่โศกอําเภดอดงหารจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกล่าวในมันสการลาและกล่าวขอบคุณเจ้าคะ่าะเทียนบาลสาธุเจ้าค่ะ